เอาเขามาเพื่อประกาศหาคนทำบริสุทธิ์ผู้แสวงหาวิมุตติคือความหลุดพ้นการดาเนิน เ, เรื่องนี้เรื่อยมาตั้นแต่สั่งวัดนี้ขึ้นปาลบประมาณเล็กน้อยจากหนึ่งองค์มาเป็นสององค์ สององมาเป็นสามองมกระทั่มากขึ้นมากขึ้นคนมีธรรมไม่คนมีธรรมคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมแม้เป็นความหมายที่ที่ข้าวเสร็ของคนปัจจุบัน ใาบริษัทปัจจุบันตอนไหนก็คือคนมีธรรมไม่ใี่คนมีธรรมหมายามว่าผู้ที่เรียนรู้เรียนรู้สื่องอรพระสุรพระวินัยพระสุตันเดียว่าพระไกรบิดดกจนเป็นบ้านเป็นเมืองเลยผู้รู้ ความรู้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากความรู้ของสัญญาที่อาศัยวิญญาณเป็นหลักคือเรียกว่าสัญญาหมายรู้หมายคิดหมายจำแลไม่ไมหนหยุดนิ่งกันแค่รู้แต่ไม่มีผู้ทำตัวหาพูด ผ, ผู้ทำนั้นน้อยมาก สังเกร ด, ดูทั่วไปเรื่องราวของพุทธศาสนาปัจจุบันอ๋อท่นมลในเรื่องราวพุทธศาสนาปัจจุบันไม่เฉพาะแต่วัดเจริญธรรมเท่านั้นแม้แต่ที่อื่นก็มีมากมายสำหรับคนที่รู้ชัมปวดรู้ปวดมี เราจึงเรียกว่าสาสตกินศากนอนศากเรียนรู้เพื่อบรรุงอัตตาคือชีวิตของตัวเองไม่ใช่มุ่มงแสวงหาเรื่องรากของการ ด, ดลและเรื่องของกายกรรมวิจกรรมมโน ก, กรร ม, ม ก็เลยกลารเป็นคนที่มีธรรมเป็นเมือนถึง็0ก็คงจะประมาณเอ่อ 90% ระดับคนที่รู้นะเรียกคนมีธรรมนะคนรู้ธรรมคนมีธรรมมากมายใก่กอง พระโต้งจนะทรงเป็นผู้ชลาหรืออานาคตว่าศาสนาจะต้องเดินไปอย่างไรท่านทีนตำรวจเลื่อนบา ร, รมีขึ้นเมืนะ่อเราตรงนี้เราต้องความความกันให้ดีๆนะถ้าตำรวดเรื่องบา ร, รมีขึ้นบา ร, รมีก็แปลว่า ผู้มีปัญญารู้จักอารมณ์กรรมและตัวธรรมในชีวิตของตนบุคคลเหล่าใดถ้าเป็นผู้รู้จักกรรมหรือว่าอารมณ์กรรมในตัวกระทันของตนบุคคลนั้นได้ชื่อว่าแก้ป ห, หาความหลุดพ้นด้วยการตรูว เขาเรียกลัวอะไรกลัวกรรมกลัวทุกข์ภาษาเราก็เรียกว่าชาติกรรมีมนีกรรมน้อยเด็กนิ่งกันที่ความเฉยคือข้อสุดท้ายเลยเ้าเรียกความเฉยเรียกว่าอุเบกขาวงเฉย เราก็ห น, นึ่ชีวิตเราจะวางเฉยกับเรื่องของอารมณ์และตัวกรรมกันได้แค่ไหนแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีที่ผ่านชีวิตเป็นประจำวันอย่างที่โลกุตระบอกว่าใครยิ่งแตนงกายยิ่งได้ดีหรือว่าจะเห็นแม่ประคำตอนคำนี้ไม่ถูกต้องาการผลก็ตามใจ ที่สอนคำเนี้ยคงยังไม่ถูกต้องกับจิตของคนที่สวยมหาเรื่องของปจัจเจกชี่และก็โลกกระทำแต่คนที่มีปัญญาด้วยว่ามีบา ร, รมีนั้นจะรู้จักสะสมความเป็นธรรมให้แก่ชีวิตของตนแม้แต่นนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปเหมือนกับปรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้ เรานั่งนิ่งด้วยกายวาจาเราก็นิ่งอยู่ในกายจิตเราก็นิ่งอยู่ในภาวนาภาวนานี่แปลว่ายกฐาหนะก า, ายวาจาแล้วก็จิตให้เจริญอย่างนะเพียงแค่เรานั่งสมาธิให้กายสงบวาจาในกายเราสงบ แล้วก็จิตสงบเราก็มีธรรมนี่เนี่ยเขาบอกคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมใครคนมีบารมีรู้จักรู้จักอารมณ์แล้วก็ตัวกระทำแล้วก็จะหยุด ก, กับตรงนี้แล้วเราสังเกตดูเหตุผลของของธรรมหรือว่าวเหตุผลของพระองค์่ะถูกต้องไหมมีอะไรมาขัดแยง้งมีอะไรจะโต้เถียง มีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องความรื่นเริงเป็นกำคงจะไม่มีอบคุคคลที่นั่งอยู่ตะเวียดถกเถียงหรือขัดแยง้งในเรื่องของกำที่เกิดขึ้นเพราะว่ากายก็ไิ่งอยู่จะเรียกว่ากายจะจำยังไงวาจาก็ไิ่งอยู่จะเรียกว่าวัตถีจำยังไงคิดก็ไิ่งอยู่จะเรียกว่าคิดมีจำยัยงไงไม่มีเลย การไม่มีการทั้งสามประการในทะเลกว่าแก้วของคำเรากําลังดําเนินตามแก้วของคำคือองค์นนะรัตน์พระดิ้งบอกว่าใครวิ่งแข่งว่ายิ่งได้ดีคือหมายว่าพยันบันเทียนในการทำประเทอย่างนี้เอ่ะเรียกว่าสะสมบา ร, รมีธรรมให้แก่ชีวิตของตนเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นอารมณ์กรรมแล้วตตัวกรรมแลย่แต่ปแตเป็นผิดเป็นผู้ คืออารมณ์ก็ทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะลาขัทุกข์เพราะโทสะทุกข์เพราะโมหะในอารมณ์ที่ปู่งแต่งทาให้เกิดเป็นภพเป็นชาติทําให้แตกแยกจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่เลวร้ายที่ที่อพุทองค์บอกว่าสิ่งที่เลวร้ายของกระแสจิตของคนเราก็คือเรื่องของอบตยภูมิที่ต้อไปเกิดเป็นสัตว์ ตกนะกเป็นเเป็นอสุรกายมีนจะเรียกว่าสิ่งที่เดืร้อนของกระแสชีไปเรื่องอะไรไก็ไปไปด้วยอารมณ์และตัวกระทำที่ที่มววเมากับสิ่งที่เรียกว่าราข้าโกสั่โมนีม่เราจะเห็นถึงลักษณะว่าอารมณ์ดและตัวกระ่ะพาชีวตเราล้นเละไปขนาดไหน มีทุกข์มีโศกมีเศร้ามีเสียใจมีทัดแท้ใจมีความสูญหายไปกับเรื่องราวของเราที่เรียกว่ายังยังยังต้องการและอยากจะอยู่กับสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมพระพุทธองค์หรือว่าแดวทางพระพุทธองค์ ถ้าต้นดวจิตดังเดินอยู่ในแนวทางพุทธองค์ก็ประการชีวิตเลยว่าอยู่ก็สุขติทธิ์ไปก็สุขติทกลับมาก็สุขติไปก็สุขติที่พระองค์ทรงจำหักว่าทำโมำลัคคติธรรมกาลีทำย่อมรักษาผูา้ประพฤติธรรมประการชีวิตกันด้วยคุณธรรมพุทธองค์ที่เรียกว่าไม่ตกตับไม่สูญหาย ไม่เลวร้ายกับเรื่องของเนวทางพุทธองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาขยับขยายเรื่องราวของการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็ปฏิบัติผนขึ้นเรียกว่าข้อที่หนึ่งสอนให้รู้จักอารมณ์ก็เรียกอารมณ์กรรมที่ตุูมแต่ ง, งในตัวกระทาทั้งหลาที่มีอยู่ คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิดแล้วนะทาให้เกิดเป็นตัวกระทําคือร่างกายและวาจาของเรานัเนี่ะเขาเรียกว่าทําให้เกิดเป็นกรรมเราก็มาเรียนรู้มาสร้างความเข้าใจกันเมื่อทุกคนเรียนรู้มีความเข้าใจดีว่าเกรรมไม่มีกรรไม่เที่ยงกรามเป็นทุกข์กันให้แตกแยกการให้อ่อาการทําให้ธาตุจากของรักของท้อใจทำให้เกิดเป็นทุกเป็นภูมิที่ บางครั้งก็ดีบางครั้งที่บางครั้งก็ลายอย่างเช่นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ในทัานกลางของความดีความชั่วแต่ว่าดีก็ไม่เชิงแตว่าชั่วก็ไเชิงสำหรับความมนุษย์เพราะว่ามนุษย์จะสามารถจะจับตัวเองได้เป็นคนดีก็ได้เป็นคนชั่วก็ได้ถึงเรียกว่าพบของวาของของตั้แต่จิตกลางคือสามารถจะสูงขึ้นก็ได้สามารถจะตกต่ําก็ได้ หรือว่าเฉื่อมก็ได้เจริญก็ได้ก็มีจับว่าชั้นมนุษย์นั้นเป็นชั้นที่เลวร้วายแต่เป็นชั้นที่สา ม, มารถจะแสวงหาความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการดับทุกข์ดับกรรมทีนนี้เราก็มาเจอพระพุทธศาสนาในท่ามกลางขันเมืองมนุษย์อย่างพิจาท่านบอกว่า โลกนี้เป็นโลกบริสุทธิ์แต่มนุษย์จะต้องมีปัญญาเนี่ยเห็นไหมท่านท่านกําหนดไว้ตรงนั้นไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะจะจ ะ, จะออกเหนืนเดินอากาศถูกสวรรค์มิพานหรือว่าตกนรกเกิดเป็นสัตว์อะไรกันไปตามเรื่องตำราอย่างนั้นเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่รู้และไม่รู้ที่มีปัญญากับไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชีวิตเรามากๆเลยจะต้องไถ่าถามตัวเองว่า เรารู้เข้าใจชัดในอารมณ์มันแค่ไหนเรารู้ชัดในตัวกระทําที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์กันแพ้แค่ไหนเนี่ยเราต้องไข่าถามเราต้องเรียนรู้เหมือนอย่างพระเจ้าของเรานี่ก็เกิดเป็นมนุษย์และท่านก็สร้างความบริสุทธิ์จะเป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตุภัยจักกิเลสภูไ ก, กาจากอารมณ์กรรมและตัวกระทําทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพบเป็นภูมิไหนเรียกว่าสามโลกจักรวาลคือมนุษย์โลกกับเบโลกและเทวโลก ถ้าไม่มีเยื่อยใยกับอารมณ์และตัวธรรมเหล่านั้นเรียกว่าธรรมไม่ติดเมื่อไม่ติดก็เป็นเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นความสูงที่เ้าเรียกว่าสูญญตาหรืออนัตตาคือไม่มีร่างกายอีกแล้วไม่มีอารมณ์อีกแล้วคือคนเราถ้าไม่มีการไม่มีอารมณ์เขาเรียกว่าสูงแต่จูๆ่ๆที่ให้สูงนั่นเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีเหตุมีปัจจัยตงแต่งให้จิตดวงนิสโญนกับเรื่องของอารมณ์และรตัวกรรมก็คือเราจะต้องรู้จักอารมณ์และรตัวกรรมและพยายามที่จะปล่อยวางอารมณ์และตัวกรรมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตามความสามารถหรือว่าสิ่งที่เราสามารถจะรับได้เรียกว่าเวทนาเรากาหนดกันตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปเราสามารถจะทนเวทนาได้แค่ไหน กับเรื่องราวของทุกที่เกิดขึ้นทางกายคือเราไม่สามารถจะนั่งได้ครึ่งวนันค่อนวนันหรือตลอดวนันหรือตลอดชั่วโมงแต่เรากําหนดก็แค่นหนึ่งนาทีขึ้นไปเรียกว่านาทีแห่งการพักทำเขาเรียกว่านาทีแห่งการพักกรรมให้เกิดเป็นธรรมเนี่ยตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจดีแล้วเนี่ย เราคงจะไม่ต้องมีใครมาเขี่ยวเข็นว่าตรงนั้นเป็นกรรมตรงนี้เป็นธรรมคือไม่ต้องเที่ยวเข็นถ้าเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็มาหาความเป็สุดกันตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกคนมีธรรมเมืม่อเราเลิกสมาี่ไปแล้วเด็ยบางทีมันก็วุ่นวายมันทีก็วนเวียนกับอารมณ์แม้แต่กระทำเขาที่เรียกว่าคนมีกรรมมีธรมธรมหรือในความจำมีธรรมอยู่ในสัญญาก็จริงแต่ยังมีกรรมอยู่ ยังไม่บริสุทธิ์คือตั้งแต่ดินน้ำลมไฟอาการสภาพวิญญาณธาตุที่เรียกปรุงแต่งชีวิตให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ถ้าบุคคล น, นั้นจะไม่ดิงจะมีทิฐิมาปรุงแต่งกระแสติตมีทิฐิมาปรุงแต่งวาจามีทิฐิมาปรุงแต่งกายทำให้เกิดเป็นวาระต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ที่เราเน้นก็นอยู่ตลอดเลยว่าว่าอยากมีทำก็นั่งนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งเดินนิ่งนิ่งใครยิ่งแกล้งก็ยิ่งในดีคือหมายว่าใครขยันก็ดีแค่ขี้เกียจแล้วมันจะเป็นตัวกระทําเป็นอารมณ์กรรมที่มากมายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักษะผู้ปฏิบัติธรรมบางคนก็ขี้เกียจตั้งสมานที่ขี้เกียจเดินกลมกลมแต่ชอบไปวุ่นวายกต่ตรงนั้นเข้าไปวุ่นวายแต่ตรงนี้เข้าไปทําไอ้นั่นไปทำไอ้นี่ แต่บางคนก็ชอบนั่งสมาธิบางคนก็ชอบเดินจงกรมเพราะว่าเข้าใจดีว่าเราเป็นคนมีทำน้อยพระพญ า, าสัตผมทำให้เยอะๆท่านนั้นบาลมีคือต้งแปลว่าผู้มีปัญญารู้จักสะสมทำมีปัญญารู้จักกรรข้อหนึ่งแล้วก็มีปัญญารู้จักทำอีกข้อหนึ่งทำนั้นพาไปไหนกรรมพาไปไหนเนี่ยสร้างตามข้าใจที่ที่ที่ดีแล้วก็ทําขึ้น เขาเรียกว่าหนักไปในธรรมแล้วก็เบาไปในเรื่องของกรรมขึ้นเานั้นโลกุตตระเขาเรียกว่าธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงคือสอนเรื่องกรรมเรื่องธรรมเรื่องความหลุดพ้นถาตามหลักภาษา ท, ทั่วไปเขาเรียกว่าบุคคลที่นั่งสมาธิเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในชั้นของะโสดา พระโสดาได้หมายความว่าเป็นได้ทั้ง น, นักบวชและบุบาศบาสิกาเขาเรียกว่าพระเจ้าคู่ที่หนึ่งนะพระโสดามัดมีแปลว่าทางผลแปลว่าสิ่งที่ได้รับคือมัดผลที่ได้รับพระโสดาก็คือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตรงเรื่องกายควบคุมกาย พยายามส่งเสริมเรื่องของกายหไปทางที่ดีพยายามปิดกั้นเรื่องของกายไปในทางที่เลวร้วายเขารู้แล้วว่ากายนี้เป็นสิ่งที่ไม่เทีย่ยงเกิดมาแล้วต้องอยู่และดับไปนะเมื่อเมื่อเราคิดเมื่อจิตของเราเห็นกายเป็นลักษณะ น, นี้ก็พยายามที่จะใช้กายในเรื่องของกุศลคือความดีเยอะๆนะสวดมนต์ไหว้พระตัก บ, บาลนะนะดละนิสัย อุปการะอุปถามบุควคนที่ใกล้ชิดเช่นคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาบุตรธิดาเปลือนพิสุสามนเนยแม่ชีอะไรประเภทอย่างเงี้ยเนะขาเรียกใช้กายซนะให้เป็นประโยชน์รู้แล้วว่ากายได้ตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ดับแหละนี่เขาเรียกว่าความความคิดหรือว่าปัญญาของพทย์สวดาหรืออาจจะเห็นว่าเห็นได้ทุกทุกดวงจิตสาหรับ สำหรับนักหวดก็ดีอุบาสกบัติกาก็ดีมีความคิดเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าส ก, กายยะิฐธิข้อที่สองของพระโสดาค็คือวิธิกิชฌาไม่ลังเลสงสัยในคำสอนพระศาสดาคืคอไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของกรรมในชีวิตมนุษย์และสัตว์ไม่สงสัยในเรื่องของการมรรคผลพระนิพพานเรื่องของพระอรหันต ถึงไม่มีความสงสัยและไม่ลังเลเลยในเรื่องที่จะออความเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งนั้นเขาได้ความไม่แน่นอนใจ ม, มีกรรมหรือเปล่านะกรรมมีจริงหรือเปล่านะบุญมีจริงหรือเปล่านะบารมีมีจริงหรือเปล่านะี่เ้าจะนั่งลำพึงลำพันสงสัยแต่ถ้าติดพระโสดาแล้วไม่สงสัยเลยตัดสินลงไปเลยว่า สอนพระเจ้าั้นสอนให้เรารู้จักกรรมและเห็นกรรมดังเด่นชัดและก็สอนให้รู้จักคมเห็นทางหลุดพ้นของกรรมในเด่นชัดนี่คือคติของพระโสดาข้อที่สองเาเรียกว่าวิจิกิจชาข้อที่สามของพระโสดาก็คือศีลพัตต์ปรามาหมายความว่า จิตของบุคคลนั้นไม่มีความยึดถือใดๆนอกจากเรื่องของกรรมและธรรมเท่านั้นคือไม่ยึดถือเรื่องอย่างที่ปัจจุบันที่มนุษย์เรายึดถือกันมากมายที่เราเห็นกันเนี่ยเช่นยึดถือเทวดาพระอินทร์พระธมแผ่นดินแม่น้ําหรือว่ายึดถือเครื่องรางของขลังสิ่งมงคลต่างๆอะไรพวกนี้ยไม่มีเลยจิตพระโสดาแต่ยึดถือเรื่องของกรรมที่คนเหล่านั้นอุบัติขึ้นข้อที่หนึ่ง จะยึดือเรื่องของธรรมในสิ่งที่ปฏิบัติตนให้คนกรรมอีกข้อหนึ่งนี่กระแสจิตของพระโสดาสามารถเป็นได้ทุกคนเราเข้าไปสำรวจดูว่าเออจิตของเราเนี่เป็นไปตามลักษณะของพระโสดาปฏิมาักไหมมาร์กใจว่าทางเดิมเนี่ยถ้าเราเป็นไปตามอย่างนั้นเขาเรียกว่าผลลัพธ์ของกระแสดินเขาเบาขึ้นไม่ต้องของังวลไม่ต้องโลเลไม่ต้องลังเล นะไม่สงสัยอะไรอีกแล้วไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามันดานอกเหนือจากพระคุณทั้งห้าประการและไม่มีกระแสจิตของตรงนี้จะไปไปสัมผัสหรือไปยึดไปถือทั้งสิ้นเราเข้าไปสํารวจดูถ้าเรายังยึดนั่นยึดนี่นยังติดนั่นติดนี่ยังยั ง, ย ง, ยงไอ้นั่นไอดีไอ้ตรงนั้นดีไอ้ตรงนี้น ด, ด, ดีเราก็ยังไม่เป็นเราก็ายังเป็นสามัญชนของกระแสจิตทั่วไป เพราะฉะน้นการปฏิบัติธรรมของเราเขาเรียกว่ามองดูคล้ายได้ทำคือบองเห็นชาติในแม่ชีเนี่ยโยงปฏิบัติธรรมเหมือนเหมือนคนได้ทำเหมือนเขาได้ลงจ ก, กในตั้งโซดาแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วอะไรประพฤิอย่างนะั้นแต่จริงๆแล้วอย่างเรายัางไม่เป็นไปตามลักษณะแบบนั้น เขาเรียกว่ารสติปัญญาของเรายังไม่สามารถจะจะเพิ่มพูนเรื่องของสังโยต์ทั้งสาประการนี้ได้หรือว่าข้อขัดใจข้อโอคาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกตามที่พุณองค์ทรงบอกทิ้งเรียกว่าโอคะหรือว่าสังโยต์อะไรก็เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องแอะไรทโศดาพระสตินาคาพระอนาคาพระอรหันต์อะไรก็ไม่อยากจะพูด เพราพูดไปแล้วบางทีเราไม่ได้แต่ตัวรู้ไปแต่ตัวทำไม่ดีเราไม่อยากจะเป็นคนที่มีความแต่มีแต่ความรู้เฉยๆแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เราก็มาตั้งตนกันแบบนี้บ่าหนึ่งเธอรู้จักกรรมไหมถ้าเธอรู้จักกรรมเธอก็หนีกรรมก็จะถามว่าให้ผมหนีไปตรงไหนให้ฉันหนีไปตรงไห น, นก็หนีมานั่งตรงนี้ หนีไปยืนอย่างนี้หนีไปเดินตรงนี้เขาเรียกว่ า, ากราิยาสามประการยืนเดินนัง่งถ้าเธอขยันหมั่นเปียนอยู่ในการยืนเดินนั่ง ส, สาสามประการนี้แล้วเธอจะเป็นผู้มีธรรมเขาเรียกว่าอะไรมีธรรมในการสดสมหนึ่งนาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้วสองนาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้วห้านาทีขึ้นไปสิบ น, นาทีขึ้นไปเธอมีธรรมแล้ว ทมที่เธอมีใน่ยเขาเรียกว่าบารมีแปลว่าเธอมีปัญญารู้จักกรรมและธรรมของพระพุทธองค์นี่เราเน้นกันตรงนี้เราไม่ใช่ว่ า, าจะไปไปเน้นเรื่องอยากให้เป็นปราชญ์เป็นบรรัณฑิตเป็นผู้ศึกษาจบขั้นใเป็นจกอะไรตัร้หลายประเทอย่างนั้นแต่เราอยากให้รู้ว่าออตำแหน่งของธรรมคุณจะทำอย่างไรตำแหน่งของกรรมคุณจะทำอย่างไร กรรมที่ทําให้ทุกข์รู้แล้วตอนนี้กรรมทําที่ทําให้สุขเรารู้แล้วเราจะต้องทํากันยางไงเมื่อรู้แล้วพอใจแล้วก็ทํำจงขึ้นเป็นอิสระเป็นเสรีภาพโดยที่เรียกว่าไม่บังคับไม่มีการบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งแต่จะทํากันด้วยความปิติและยิน ด, ดีของชีวิตหรือว่าปัญญาตัวเองมันจะเกิดเป็นลักษณะอะความสุขความสุขที่ได้นั่งสมาธิ ความสุขที่ได้ยืนสมาธิความสุขที่ได้เดินสมาธิเรารู้กันตรงนี้พอเราไม่ใช่เป็นศาสเพื่อจะอวดดีอวดเด่นให้ชาวโลกเพราะว่าฉันเป็นคนรู้แต่เราเป็นศาสต์เฉพาะตัวเองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรปัดจัดังรู้เฉพาะตนจิตของตนรู้ยังไงก็ทําทไปแต่ให้รู้และเข้าใจที่เด่นชัดแล้วก็มีความสะอาดบริสุทธิ์ในความรู้นั้น เรายังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเด่นชัดก็พยายามศึกษาให้รู้ถึงเรื่องอารมณ์และก็ตัวการที่ถาขึ้นว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิดและตัวการที่เคลื่อนไหวนั้นคือกรรมของเธอเธอจะตละเรื่องของอารมณ์ที่ปรุงแต่งและตัวทําเธอจะต้องทํำยังไงเธอก็เมตตาเขาและให้อาภายัยเขาซอย่าไปก่อกรรมกับเขาอย่าไปคล้องกรรมกับเขาท่างนี้เธอเธอเราเราก็เป็นเป็นผู้บีทำแล้วเ้าเรียกรู้เหตุรู้ผล เราบางังกับกองกันในลักษณะของท่าขมาที่คือยืนเดินนั่งแล้วเราก็ไปใช้เมตตากรุณาและให้อภัยขณะที่บิญญาณสวนทําเดินเช่นพิสุกกรเดินผ่านพิสุขอหรือแม่ชีกรเดินผ่านพิอ่าแม่ชีขอหรือญาติโยมเดินผ่านไปผ่านมาเราไม่ใช้อารมณ์กันเราไม่ก่อปวนอารมณ์กันเราไม่ยุติยังส่งเสริมให้มีอารมณ์กันเราก็จะจกลายเป็นคนที่มีธรรมขึ้นในขณะที่เราเคลื่อนไหว ถ้าเรียกว่าจุดหมายปลายทานของเราก็คือทำชีวิตนี้ให้เบาบางเรื่องของกรรมเพราะเราครบทำเที่ยงแล้วที่สอนให้เรารู้จักหลีกเลี่ยงเรื่องของกรรมถ้าเราไม่ทำก็ช่วยไม่ได้สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมที่ทำขึ้นแต่ถ้าเราทำขึ้นเราจะจะเบาบางขึ้นเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีที่เราปรารถนาถือรปสังโฆโพธญาณ ศิลปศิลป์ศสนากังสื่อภาษาังกฤโปรติกียากเชือยากเชออย่างนี้ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะสิ้นสุดดินแดนแห่งแห่งเวเล็กกรมอะไรประเภทอย่างนั้นคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมคงมีความเข้าใจที่เราที่เราปรารันในครั้งแรก ก่านที่จะดั้งสมาธิว่าคนมีธรรมไม่ใช่คนมีธรรมคนไม่มีธรรมนั่นแหละมีธรรมคงจะเข้าใจถึ ง, ถงคำที่ที่ที่ที่บอกถึงเรียกรรประคำประละมัดโลกุตระเนี่ยไม่ไม่บอกให้รู้ก่อนเห็น คือเห็นคือรู้ใครยังไม่รู้ไม่บอกถ้าไปบอกอะไรทั้งหมดเลยเราเราเลยไม่ต้องทำให้มันพบมันเห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่ดีเราจึงจึงยุติกันที่เรียกว่านั่งสมาธิดีที่สุดเดินสมาธิดีที่สุดเดินสมาธิดีที่สุดเนี่ยดีอยู่ตรงนี้ วันเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่ทุมเธอมีเวลาขนาดไหนเธอจะทำํำได้เธอจะมีเอาเวลาเหล่านี้ไปไปทําอะไรก็แล้วแต่เธอแลต่เธอจะทํามันขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของการบรรยายทำเรื่องของการสอนทำก็คือสอนให้เรารู้และเข้าใจถ้าเรียกว่ายอดส่วนของการท จากแปดหนึ่งสี่พันพระธรรมขันมาเป็นเรื่องของธรรมคอลหนึ่งแล้วกรรมอีกคอลแต่นี้ถ้าสรุปข้อหาธรรมากก็คือสิบขาสามก็คือหนึ่งผู้ปฏิบตัติก็ระวังเรื่องของศีลคือความประพฤติระวังชาติประพฤติของกรรมจะเกิดขึ้นถ้าความประพฤติของกรรมเกิดขึ้นมันเสื่อม ถ้าความราู้อของธรรมเกิดขึ้นทําให้เรา เ, เสีจริญเอ้是第 one สมาธิสัมฤทธิ์เรื่องของธรรมขึ้นตามกาลเวลาที่เราสามารถรับปีธนาได้ยืนเดินหน้าแต่คงไม่ต้องเอาอย่างพุทองค์ว่าใสายาติถ้ากระแ่จิตอ่อนๆก็ใช้จิตเล็กๆน้อยอย่างเรานี่ไม่สามารถจะใสายาตได้ ถ้าสายยาไปเดี๋ยวก็หลับขนาดนั่งก็จะหลับเดินก็จะหลับถ้าไปสายยาก็คือหลับไปเลยขณะหลับคนเองจะเริ่มยืนเดินนั่ง <c oughs> เรียกว่าสมาธิเป็นการหยุดพักหยุดพักกรรมเพื่อสร้างธรรมขึ้นเรียกว่าสร้างคางสอนพระศาธดาให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและก็ทางจิตเรียกว่าบารามี มีปัญญารู้จักเห็นทางพระพุทธองค์รู้จักเห็นทางหลุดพ้นของพระพุทธองค์นี่เรา่อสมาธิข้อที่สามคือปัญญาได้รับในฟังคำที่แจงจากจากคำสอนพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปกันไปลองให้ให้รับคอบให้เข้าใจดีในเรื่องของกรรมพอดีทมก็ดีก็นำมาใช้ประปุงแต่งชีวิตแล้วให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้น กับเรื่องราวของคุณธรรมที่เราปรารถนาคือถ้าเราไม่ปรารถนาทำเนี่ยคงไม่มาตรงนี้ก็หรอกไม่ว่าจะเป็นชะไม่ว่าจะเป็นไม่ชีบาศกบัติกาผมไม่มาตรงนี้ถ้าเราไม่ปรารถนาทำคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือคนที่อตามจุดหมายปลายทางและคือคนที่เบื่อการใช้อารมณ์เบื่อการใช้ตัวกระทําคือความรับผิดทั้งหลาย ก็เลยนั่งสมาธิชอบนั่งสมาธิชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่สงบไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบกุงสร้างกับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่มีการมองเห็นอารมณ์กรรมและตัวกระทําอยู่ในใจเรพยายามที่จะหนีอารมณ์กรรมและตัวกระทําที่อยู่ที่ใจนะั้นมาตรงนี้ก็คือมาดั้งสมาธิซะ มันเดินสมาธิซะมายืนสมาธิซะอารมณ์มันก็ะปรุงแต่งไม่ได้เขาเรียกว่ามีธรรมอยู่องค์เดียวเหมือนมีเขี้ยวอยู่เจ็ดปากภาษาปรมัตดของโลกุตระเขาบอกไวาอย่างนั้นคือถ้ารู้จักสมาธิแล้วเนี่ยอะไรก็ทําคนที่เป็นอัตถิธรามสมาธิไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเขาไม่ได้แต่มาปรุงแต่งให้โลภก็ไม่ได้แต่มาปรุงแต่งให้โกรธก็ไม่ได้แต่มาปรุงแต่งให้เราไปหลงไปโน่นไอ้นี่ก็ไม่ได้อีกนี่เขาเรียกว่า มีทมอยู่องเดียวเหมืองงนมีเขี้ยวอยู่เต็มปาแล้วจริงไหมถ้าเรานั่งสมาธิใครมาปรุงแต่งให้เรา